ไม่อัตคัดยีงหนึ่งในสีก็เก็บเอาไว้เพื่อการลงทุนการประกอบกิจการงาน อ, อีกครึ่งหนึ่งแนะม่นในสที่เหลือกในสีก็ให้เก็บไว้นะเพื่อใช้ในยามขาดแคลนแต่ที่แต่เท่านั้นยังไม่พอนะ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 เงินทองแทนที่จะทำให้มีความสุขก็กลับให้ทำให้เป็นภาระเป็นความทุกข์กัดกลุ่มในการรักษาเสียใจเมื่อสูญเสียมันไปหรือว่ามันอาจจะไม่สูญเสียแต่มาลดค่านะทองหรือที่ดินที่เรามีวันดีคืนดีมันลดค่าลงนะที่ดีลดค่าลงเหลือหนึ่งในสองนี่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 หาเงินหาทองนหลายคนก็บอกว่ามันต้องสมัยนี้มันเศรษฐกิจเบรัรนะต้องถ้าไม่ไม่หาเงินหาทองก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแต่ว่าคนจานวนไม่น้อยเนี่ยทั้งทั้งที่มีมาก ม, ไมีไม่ได้เศรษฐกิจไม่ได้รัดตัว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 มันชะงักงันการเมืองไม่นิ่งอย่างที่ผ่านมาหกเจดเดือนมีประท้วงเศรษฐีก็ชะงักงันเศรษฐีหลายคนกุ้มใจเพราะว่างเงินทองเพราะว่าโครงการต่างๆที่ลงทุนเอาไว้นะมันมันชะงักก็ เ, เครียดเพราะเครียดแล้วก็จะต้องดินน้นรนละว่ามันจะอยู่รอดได้อย่างไร ก็กลายเป็นว่ายิ่งไม่มีเวลาเขาไปใหญ่แต่ก็แปลกนะบางคนนี่ก็ไม่ได้ทำงานอะไรละแต่ว่าก็ยังบนว่าไม่มีเวล า, วาเวลาหายไปไหนนะทั้งที่เงินทองที่มีนี่ก็ซื้อเครื่องทุนแรงได้เยอะสามารถจ้างคนทำนูน่นทานี่ได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องทาอะไรจ้างคนมาทำครัวจ้างคนมาทาความสะอาดนะ จ้างคนถ้าไมจ้างคนก็ไปซื้อเครื่องยนต์ที่ช่วยทุนแรงทุ่นเวลาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องต้มน้ําำสมัยนี้คนสมัยนี้นี่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายอุปกรณ์ที่ทุนเวลา่ จ, จริงมีมากเท่าไหร่เวลาก็กลับเหลือน้อยลงไปทุกทีเมื่เหมือนก็ชาว บ, บ้านชาว บ, บ้านนี่อุปกรณ์ทุนเวลานี่มีน้อย รถจนก็บางทีไม่มีต้องเดินเอาแต่ว่าเขากลับมีเวลาเหลือเฟือมีเวลานั่งเล่นมีเวล า, าทอผ้ามีเวลาสารกระบุงตางก้ามีเวลาอยู่กับลูกอยู่กับหลานนั่นเหมือนกับน้าแปลกเลยิ่งมีเงินมากยิ่งมีฐานะที่ดีมากเท่าไหร่กลับรู้สึกว่ามีเวลาน้อยลงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดตัวเองนะแต่ว่ามันเป็น มันเป็นข้อสรุปของในหลายประเทศเพบว่าคนที่ยิ่งมีเงินเดือนสูงๆมีฐานะมากๆยิ่งมีปัญหาว่ามีเวลาน้อยหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีเวลาไอ้คนที่จนๆนี่กลับมีเวลามากกว่าทางที่บางทีก็ไม่ได้ทางานนะเพราะว่าเป็นแม่เป็นคุณนายแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรนะ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 ในครอบครัวไม่มีเวลาเจ็บาพ่อแม่ไปเที่ยวหรือไม่แต่ไปเยี่ยมพ่อแม่ยิ่งกับเวลาสาหรับตัวเองเวลาที่จะรู้จักตัวเองเวลาที่จะใชในการค้นพบตัวเองหรือที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยยิ่งไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่ั้งพิจารณาดูนะคนทุกวันนี้นี่เขา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 แขนขาจะเดินเหินไปได้ตามปกตินี่มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้นะมันก็แปลกดีพอ เ, เขาคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาจะชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่เอาเวลาที่มีอยู่ไปใช้กับการทามาหากินแบบตะบีตะบันหรือว่ า, าไปใช้กับการเที่ยวการเล่นการสังสรรจน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 ไม่มีเวลาที่ไปเยี่ยมพ่อแม่เมื่อพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม่แต่ลูกก็บางทีก็ไม่มีเวลาที่จะให้เวลากับลูกนะก็มีแต่เงินเท่านั้นที่จะให้กับลูกมันก็เป็นเรื่องแปละนะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาจนกระทั่งชีวิตมันผิดเพี้ยนไปแต่เขาแท่ไม่ค่อยได้คิดจริงๆจัง ๆ, ๆเลยว่าเวลา ของเขากาลังเหลือน้อยลงไปทุกทีเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะถ้าเขาคิดจริงจังเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไอจะทําอย่างที่ทําอยู่มันมันไม่ควรซะละมันต้องต้องจัดนะต้องจัดระบบจัดเวลาเส้นใหม่หันมาให้เวลานะ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 เกิดมาทั้งทีนะแต่ว่าก็ยังทุกข์ยังร้อนพรทะซับ พ, พระโยศเพอะอะไรต่ออะไรมากมายนี่มันมันก็เหมือนกับว่าไม่คุ้มค่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นะพอมนุษย์เราสามารถที่จะทําได้ดีกว่านั้นมนุษย์เราสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่ดีกว่านั้นได้เรื่องเงินทองเรื่อง ชือเสียงแลกติยศนี่หรือแม้กระทั่งการมีสุขภาพดีการมีครอบครัวดีนี่พระเจ้าก็ยังถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ชั้นต้นนะต้องใช้คําว่าทิฏฐธรรมิกธรรมเป็นประโยชน์ชั้นต้นมันมีประโยชน์หรือความสุขที่ดีกว่านั้นนะก็ ค, ความสุขที่เกิดจากการทําความดีเกิดจากการมีศีลอย่งเกิดจากการมีศรัทธานในสิ่งที่ดีงามเกิดจากการที่ รู้จักแบ่งปันที่รวจจากะหรือทานรวมทั้งการมีปัญญาที่สามารถแก้ทุกข์ได้ถ้ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีบริวารแค่นั้นก็ยังไม่ทำให้มีความทุกข์มีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ยังมีความกังวลมีความวิตกมีความกลัวกลัวว่าของที่มีอยู่จะหดจะหาย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 มันก็ทําให้เกิดการต้องดิ้นรนแสวงหาเรื่อยไปไม่ต่างจากคนที่วิ่งแล้วนะวิ่งวิ่งอยู่บนลูนะ่ลู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นลู่ออกกําลังกายนะมันก็หมุนไปเรื่อยนะให้คนที่วิ่งบนลู่นั่นก็วิ่งแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนแต่ต้องวิ่งเพราะถ้าไม่วิ่งแลก็จะถอยหลังก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆ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 ให้เข้าถึงประโยชน์ขั้นสูงที่เรียกว่าสัมปรายกัตถะสัมปรายกัตถะคือประโยชน์หรือความสุขที่อยู่สูงขึ้นไปจากประโยชน์ชั้นต้นนะก็คือความสุขทางใจเช่นเกิดความมั่นใจในศีลในความดีที่เวงรมเกิดความอิ่มเอิบปิติเพราะมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะเกิดความเย็นใจเพราะว่าได้เผื่อแผ่เสียสละ เออเฟื้อผู้อื่นแล้วก็เกิดความแก้วกล้ามั่นคงเพราะว่ามีปัญญานคนเราถ้ามีปัญญามันไปไหนก็ไม่ไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้พยองจึงแม้จ น, นก็ไม่รู้สึกตัวรีบเมื่อเดือนที่แล้นี่ก็ไปเห็นโฆษณาหนึ่งที่อยู่ข้างทางด่วน เป็นเรื่องของคนตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็กขนาดเท่าคนแคระเลยที่ตัวเล็กเท่าคนแคระก็เพราะว่าเงินในกระเป๋ามันถดถ่ายก็เลยตัวรีบเล็กลงอันนี้เป็นโฆษณาที่บอกว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราก็จะตัวใหญ่มากขึ้นอัตราก็จะพองโตแต่ที่จริงแล้วถ้าคนเราจะ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 ตอนนั้นแต่เป็นปัญญาในทางทำ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้ว <Yeah. S 1> ไม่ว่าเจอร้ายแค่ไหนก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้ mm. อย่างที่ผู้ไดเมื่อวานจึง mm. ไม่กลัวอยู่คนเดียวก็ไม่กลัวอยู่ในป่าก็ไม่กลัว mm. หรือแม้ในยามเจ็บยามป่วยหรือใกล้ตายก็ไม่กลัว mm. เพราะว่า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 เมื่อเข้าใจแล้วก็หายกลัวนะความเข้าใจนี้ก็ตรงกับพุทธนะที่เรียกว่าปัญญาคนเรากลัวเพราะมีอวิชชาแต่เมื่อมีปัญญามาแทนที่แล้วความกลัวก็หายจะเป็นความเจ็บความป่วยความพัดพ า, า, าสูญเสียความตายที่ใครๆกลัวกันแต่ผู้มีปัญญาก็ไม่กลัวนะและยิ่งตั้งมั่นในความดีนะทําความดีมามากก็ยิ่งไม่กลัวใหญ่ อย่างมีคาถาพระโพธิสัตว์พระพธิสัตวนะ์คื อ, อพระเด็จเจ้าก่อนที่จะตัดสัลูพนะระองค์ก็เกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาตินะชาติแล้วชาติเล่าก่อนที่จะมาตัดสรลูเป็นพระเด็จเจ้าที่เรานับถือเป็นศาสดานในปัจจุบันก็มีชาติหนึ่งที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้พูดเป็นคาถาว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมนะยอมไม่กลัวประโลก เมื่อทำความดีนะตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นทั้งในทางธรรมนี้ทั้งจริยธรรมคือความดีและศัจริยธรรมคือความเข้าใจในชีวิตก็ไม่กลัวปารโลโลกแล้วก็อีกที่หนึ่งก็พูดว่าเขาพระเจ้าไม่เคยทําช่วในที่ไหนไหนเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอันนี้เราเป็นความมั่นใจนะความมั่นใจพ่ออะไรพ่อมีศีลนะอ่า ไม่ทำความชั่วคือมีศีลมั่นคงในศีลก็ทำให้มั่นใจไม่กลัวความตายก า, การมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อทำให้เราเนี่ยนะมีความมั่นคงองอาจมีความอาจฐานในการดาเนินชีวิตเพื่อว่าเมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่กลัวและพร้อมอยู่เสมอนะพะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้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 เช่นเจ็บป่วยมันก็ไม่ช่วยอะไรเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าได้ทำความดีนะมีศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจนะจนกระทั่งเห็นความจริงแจ่แจ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของกายและใจว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะคือมันไม่เที่ยง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 มีกำลังวังชาแต่มันไม่สุกนะมันกลับทุกข์มันกลับพร่องมันกลับบีบคั้นนะทั้งที่ความตายยังไม่มายังมาไม่ถึงนะแต่ว่าก็ทุกแล้วเพราะความจริงมันสวนทางกับความความยิดความอยากแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่อยากเพราะเราเห็นความจริงนะมันก็ ป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ป่วยแก่แต่กายแต่ใจก็ไม่ได้ชาราไปด้วยถ้ถึงเวลาตายนะก็ก็ไม่ได้เสียใจหรือครั่งครั่มกลัวแต่อย่างใดในะการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งนะก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่จะมาถึงซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ แต่รู้แต่ว่ามันใกล้มาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทียิ่งเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันความตายเขาใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีนะคนที่ตระหนักเช่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ไม่ปล่อยเวลาไม่ใช้เวลาไปในเรื่องสิ่งที่มันไม่มีสาระสิ่งที่มันให้ประโยชน์ช่วครู่ช่ว ย, ยามนะแต่จะเข้ามาฝึกฝนตนนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อ เพื่อที่จะรับมือนะกับความแก่ความเจอความตายที่จะมาถึงซึ่งมาแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะได้ใช้ใช้ความเป็นมนุษย์ของเราให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าก็คือว่าสามารถจะเข้าถึงความสุขสามารถที่จะเข้าถึงความสงบเย็นนะเข้าถึงสภาวะที่ทุกนี่ทำอะไรไม่ได้ ก็เรีว่าเป็นภาวะโลกรุตระโลกุตระโลกุต ร, ระคือเหนือโลกเหนือโลกในแง่นึงคือว่าเหนือโลกธรรมคือโลกก็ธรรมนี้ไม่สามารถจะทําให้จิตใจหวั่นวายได้ไม่ว่าได้ลาบเสื่อมลาบไม่ว่าได้ยศเสื่อมยศไม่ว่าสารสนินทาสุขทุกข์ก็ไม่ทําให้ใจฟูใจแฟบใจกระเพื่อมเหนือโลยความหมายนึงก็คือเหนือ ความทุกขนะ์ความทุกข์นะกนี่กับโลกนี่มันมันใช้แทนกันได้โลกคือทุกข์ทุกข์ก็คือโลกเหนือโลกคือเหนือทุกข์ทุกข์นี้ไม่สามารถที่จะนะเข้ามาทําให้จิตใจหวั่นไหยได้เกิดมาทั้งทีก็มันไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายนะที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะ พระพุทธเจ้านี่เคยเอาเล็บเนี่ยจิกไปในดินนะพื้นทรายแล้วก็ถามภาษาเวกว่าทรายที่ติดนิ้วกับทรายที่อยู่ในแผ่นดินนี่อันไหนมากกว่ากันภนะาษาเวก็ตอบว่าทนระายในแผ่นดินเนี่ยมันมากกว่าทรายที่ติดนิ้วพระพุทธเจ้านี่เยอะมากเลย ทรายที่ติดนิ้วพระองค์นี่น้อยมากเพราะคือจาวกตาวันนี้สัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันมีน้อยนะพอๆกับทรายที่ติดนิ้วพระองค์ส่วนสัตว์ที่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์นี่ในวัตตาสงสารนี่มันมากมายมหาศาลนะเหมือนกับทรายในแผ่นดินเลยพวกเรานี่ถือว่าโชคดีนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนส่วนน้อย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 ไกลความฝันมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงเข้าถึงได้อย่างที่พระเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างแล้วที่พร ะ, พระอาหารหันต์มากมายได้เป็นแบบอย่างว่ามนุษย์เราเข้าถึงได้ถัาเกิดมาเป็นบางทีก็ก็ควรจะได้เข้าถึงหรือเข้าใกล้ภ า, าะวาะเช่นนั้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นมันก็เรียกว่าเสียของนะเสียโอกาสเวลาเราได้ ซื้อของอะไรมาราคาแพงๆนี่ถ้าเราใช้ไม่เต็มที่เราก็เรียกว่าเสียของนะแต่เราก็ไปสนใจกับไปห่วงกับการเสียของต่างๆมากมายจนอาจจะลืมไปว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะถึงเวลาความตายมาพักจากไปแล้วก็ถึงตอนนั้นค่อยมาเสียใจ แต่ถ้าเกิดเราตอนหนักว่าเนี่ความเป็นินูของเราจะเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐสุดนะแล้วเราใช้ให้ใหเกิดประโยชน์เต็มที่โดยเวลาที่มีอย่างจําจกัดมันเจ้าจะไม่เสียของเงินะมันเป็นการใช้ความเป็มหนูของเราให้เกิดประโยชน์สูงสนะุดเต็มตามศักยาภาพพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนอริยโลกุตตรธรรมก็คือเนี่ยสภาวะที่พ้น ที่เหนือโลกพ้นโลกเนี่ยคือพ้นทุกเหนือทุกเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่มีในตัวเราทุกคนอันนี้แหละคือของที่มีค่าที่ประเสริฐถ้าเราไม่ใช้มันยิ่งก็เสียของเองนั่นนะมีของดิดติดมากับจิตกับใจเราแล้วนะเราไม่ใช้ไม่สนใจหรือไม่คิดว่ามีไม่รู้ว่ามีได้ซ้ํามันไม่รู้ว่าจะ เรียกว่าอะไรดีนะมันยิ่งกว่าเสียของซนะอีกเพราะนั่นนี่อย่าอย่าปล่อยให้ของดีๆสูญค่าไปจริงๆเวลาแต่ละนาทีนี่ก็ถือเป็นเวลาที่มีค่านะแต่ว่าเวลาที่ที่เรามีเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นเงินเป็นทองนะถ้าเรามองว่าเป็นเงินเป็นทองเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเราจะเราจะเสียดายเวลาเราก็จะเอาเวลานี่ยไปทํามาหากินไปผลิตเป็นเม็ดเงินออกมา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 อย่างเช่นชั่วโมงหนึ่งได้มา่วกมึงเขาชั่วโมงหนึงเขาสามารถจะหาเงินมาได้หนึ่งหมื่นบาทถ้าชั่วโมงนั้นถ้าชั่วโมงไหนเขาไม่ไปทํามาหากินเ ข, กเขาเจ้าสัวเขาเซ็นเงินเป็นหมื่นหนึง่งแล้วเขาทนไม่ได้นะที่จะปล่อยให้เงินหมื่นหนึง่งมันหลุดลอยไปเขาก็ต้องเอาไปใช้ทํำมาหากินแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาทําอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากกว่ามันไม่มันมีคุณค่าแต่มันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ เช่นเวลาที่จะมาให้เวลากับคนรักพ่อแม่ครอบครัวลูกหรือว่าให้เวลากับจิตใจของตัวเองเพื่อใช้อริยโลกุตตรธรรมซึ่งเป็นทรัพย์มีค่าอาริยทรัพย์นี้ให้เกิดประโยชน์เวลามีค่าแต่ไม่ใช่เป็นเงินเป็นทอ ง, งถ้าเราใช้เวลาแต่และนานทีให้มีค่าในลักษณะที่ว่ามา